นะนี่ถ้าหากว่าเราไม่จัดการตัวกลางนะไอตัวช่บไม่ช่บก็ยังทำงานได้อยู่ะนั่นเราถอยสลักกลางออกไอตัวไม้กระดานก็วางอยู่บนพื้นนะมันไม่กระดกขึ้นกระดกลงเป็นอะไ น, นี้นั่นไอตัวตัวกลางของเราคือตัวไม่เห็ไม่รู้เนะี่ย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 มกรลาสัตว์ไหมมกรลาคือเดินอะไรเดินมังกรใช่ไหมเดินมังกรกุมภาลอะเดินอะไรเดินจระเข้ใช่ไกุมภามีนาล่ะเดินอะไรเดินปลาเมสาเดินแพใช่ไนมแล้วพุทธพาเดินวัวแล้วมิถุนา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 ราศีสิบสองราศีของไทยเอามาใช้นี่เป็นภาษาเปอนของเวียดนามทั้งหมดนะที่ตั้งม า, าสิบสองราศีเวียดนามกำหนดสิบทอามาจากจีนว่าคนที่ปีเถาะมีลักษณะอาการอย่างนี้คนพินไปทำลายลักษณะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นสมมติบัญญัตรรริที่ต้องการที่จะบอกถึงสมมติของคนเอามาใชเ้เวียนอยู่ในดวงไปตามดวงไปตามดวงดาว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 และศึกษาก็จบละไม่ต้องศึกษาอะไรอีกนี่ก็แล้วก็เป็นอสกมีตุกประเภทเสกนะเพราะนั้นในศาสนาต่างๆนะเขาเขาใช้วิธีเสกเยกอนนะกว่าเรามาใช้จะถึงทุกวันนีงนะเสกคาถาคือหมายเขาว่าต้องเรียนคาถาเสกคาถาต้องเรียนอยู่แต่พอในพุทธศาสนาใช้ว่าอสิกคือไม่ต้องเสกละ ไม่ต้องเศษคถาถ้าเศษคถาอยู่เนี่ยขอว่ามันยังไม่แน่เคยได้ยิ น, นยใช่ไหมนิสักได้ยินยั้ไมเคยเขียนหรือเ่าเสษเขียนยังไงเ ข, ข่าไก่ไม่ถูกนะต้องใส่ขอาไก่มานจะาเข้าว่าเสษขาเยเศกบุคคลเศกบุคคลขอเพียรพยายให้หน่อยก็จริงทำ ม, มีสองส่วนนะกูปธรมัวกุปธรมวย่างไส่วน บริหารธมัวบริหารนันทภูอนุรักษณา พ, พักภูปุทุศโนโคตรภูใช่ไหมพายุประตัวพายุประดุวพระพาขบมนิยตุวนิยตูอันนั้นเลยพูดถึงตัดสินเรื่องเนี้ว่าอ่ามันมีสองประเภทถ้าประเภทอมักอันนี้ยังกําเริบได้อยู่เพศผลมันมีมักกับผลนะโสดาปรินมักสกีทาคามรักอนาคามรักอาหารตามรักนี่กําเริบได้อยู่อืมคือ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 เออเอาแล้วพ้นกิโลที่สามจากพ้กิโลที่สองพกิโลที่สามจากากิริค า, ามกอนัครธรรมอนาคามิมกไปสู่ลุงกลางเนี่ยก็ยังกลับได้อยู่จนไปถึงอ่าอนาคามิผลเนี่ยนะก็ไม่กลับละยังอยู่กิโลนี้แล้วนั่นแต่อ่ะที่ออกจากอนาค า, ามิมไปรหมรรมเนี่ยก็ยังกระเริบได้อยู่ ถ้าเกิดไปเป็นในในช่วงรังกล่าวก็เกิดอะไรนะเกิดวิปริต<ม>วิป ร, ราตเลยนะ<ม>ก็เป็นพระหันวิป ร, ราตมนะีอยู่ใช่ไหมที่เขายังไม่ถึงที่สุดอ่ะสําคัญว่าเป็นที่สุดแล้วก็เทมันก็เริ่มเลื่อนขึ้นมาอ่านี่ก็วิป ร, ราตนะพวกวิป ร, ราตนะีวว่ยนะ พ, นะ พ, นะพวกอยู่ในมรรคอยู่พวกวิปัสณูวิปราตพวกเนี่ยไปอยู่ในมรรคทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันก็กําเริบอะพอหายวิปัสณูแล้วสึกเลยอย่างเงี้ยนะเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันอยู่ที่ว่าอยู่ในคืออย่างนี้นะ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 จะเห็นแต่ยังไงก็ตามมันปอดศาสตร์หรื อ, อ น, นิทานเล่าทําให้สับสนอย่างว่าเออถ้าหากว่าเป็นพระทหารต้องบวชนะถ้าไม่บวชต้องตายภายในเจ็วันใช่ไหมอันนี้กระเพาะเนี้ยผมข้อเทียนก็บอกว่าคนมันตายภายในเจ็ดวันอยู่แล้วแล่ละมาถ้าเากินาคารพู้บริหารคือสาวต้องตายวันใดวันหนึ่งอมันจะไม่ตายวันใดวันหนึ่งเราไปกวนท า, าไมปีศารรมทำ ถ้าไอทำคว่าโสดาบันเนี่ยก็คือละสังโยชนได้สามใช่ไมประเทศอียิปต์เนี่ยมันจะเป็นเป็นที่เจ็ดในที่อย่างรดแต่จะมีมันยังมีราคาพระโสดาบันนี่ราคาโทรศัพท์มูฮันยังมีอยู่นะพระโสดาบันหนึ่งละความเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวท่านเองนะครับละไม่สงสัยในเรื่องพจนนตรัยแล้วก็ไม่ยึดติดในเรื่องความ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 เรียกว่าอะไรมันเป็นผลแล้วนะมันก็ทําให้ราคาโทรศัพมหามันลดลงเอาตัวนั้นแหละเมื่อไม่สําคัญผิดในตัวตนแล้วเนี่ยอ่าความเป็นไปยึดไปชอบไปติดอะไรพิเศษมันก็ไม่มีละมันก็จืดจางลงเองนะนั้นในเรื่องอย่างเนี้ยอย่าไปสับสนระหว่างภูมิธรรมกับวัฒนธรรมว่าธรรมก็ขึ้นอยู่กับประเพณีนั้นๆะว่าเขาใช้ชุดอะไร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 เวลาที่เราไปทำความเพียรเรา่าเอาเวลาไปเล่นครับเอาเวลาไปเสาะทำไปสักพักหนึ่งเมื่อยก็นอนเล่นก็ดีคล้ายเดีกๆงไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> อโยมเขาเนอะนั่ง ไ, <c oughs> ไม่ได้ก็นอนทำใช่ไหมนะ <c oughs> <c oughs> นอนทำก็หลับไปเลยใช่ไหม <c oughs>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 ประมาณบ่ายโมงบ่สองต้องหาเรื่องไปทำคนอีกแบบหนึ่งตะปีบัดมาหลอะไรเพิ่งนึกขึ้นได้คุณโอ้หลวงพ่อจะเลิกอยู่แล้วเนี่ยเงเอามาก็ใช้วิธีว่าร้อยทั้งร้อยอ่ะท่านเข้าแล้วเนี่ยมันต้องง่วงใช่ไหมแล้วต้องหาเรื่องต้องหาเรื่องทําอย่างอื่นผมก็ไปกวาดใบไม้ว้างไปยกหินวางไปซักผ้าวางสักพักอะไรไปมีผมไปฮาวายผมไปเปิดอารมณ์ที่ฮาวายเมื่อเดือนเดือน ที่ก่อนไปไ ป, ไปเที่ยวแล้วเนี่ยไปเที่ยวแรกที่ไปเปิดอารมณ์ที่ฮาวายวัดวัดชื่อว่าที ident, ่ชื่อแปลกวัดพุทธศักดิ์สิธินั่นนะมันมีน้ําตกพุทธศักดิก์สิทธิ์บ้ลาวปรากฏว่าเจ้าอาวาสเนี่ยคือหลวงพ่อปานขาวเป็นเจ้าอาวาสทีนี้คนลาวเนี่ยเขาท warz, meter, ํา kind of บ aman, um, ุญเยอะนะอาหารร้านข้าวต่างๆเนยเอะเต็มไปหมดทีน hmm. ี้พระท่านก็ต้องพระน้อยใช่ไหมแต่อาาหรมอยเยอะทําไงพอทานแล้วท่านก็เลยพระวัด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 หลวงพ่อปันขาวพาพระอาจารย์ดาวิจาพรรษาที่นั่นแต่พอดีช่วงที่ตะมาหลวงผมไปจัดอบรมที่ น, นท่านไปฝรั่งเศสนะผมก็เลยจดทำที่นั่นเอาคนราประมาณยี่สิบเกือบสามสิบคนนะทำเนี่อากาศดีมากเลยด้านหน้าเป็นชายทะเล ด, ด้านหลังเป็นหุบเขาเป็นน้ำตกก็เลยว่าประยะก็ดีดังนั้นวิธีแก้ก็คือต้องหาอะไรทำสักอย่างนอย่าไปยอมจานวนนะ